วิดีโอสอบอารมณ์เราก็เทียนมาแชให้ดูซึ่งเป็นภาพ30กว่าปีมาแล้วเพราะฉะั้นภาพมันจะเบลอหน่อยแต่ก็พอดูได้เสียงยังดีอยู่คือมาพยายามที่จะเอาเรื่องราวการสอนธรรมของพ่อที่ท่านเล่าเองที่ท่านบอกเองเนี่ยมานำเสนอ ทังนี้เพื่อที่เราจะได้เห็นว่าต้นฉบับเดิมของท่านเป็นอย่างไรแล้วก็เหมือนก็นเลยรู้จากตัวท่านเองอซึ่งเราก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าสมมุติเราทำตามหลักที่ท่านบอกจริงๆเนี่ยมันไม่ยากมันไม่ซับซ้อนซึ่งปัจจุบันนี้เอามาถ่ายทอดมาสอนกันบางทีมันยุ่งยากซับซ้อนเราเข้าใจยากเทคนิควิธี อะไรเยอะเกินไปซึ่งมาเองพยายามทำจุดนี้ให้ชัดพยายามใช้เทปใช้วิดีโออะไรของท่านให้ให้ผู้ฟังเหมือนได้สัมผัสท่านโดยตรงะนะแล้วถ้าสมมติเราเรามีความตั้งใจไม่มีอะไระซับซ้อนปิดบังแอบแฝงเนี่ยมันจะเข้าใจได้ไม่ยากเลย เพราะธรรมะวิธีการอวเทียนเนี่ยเป็นเป็นการสัมผัสไปซื่อๆตรงๆอาจจะไม่ต้องใช้ตักกะเหตุผลอะไรมากเหมือนกับวิธีการอื่นแต่ว่าที่มันขัดกับอุปนิสัยเดิมๆของเราก็คือเราใช้เข้าถึงทมด้วยความคิดอ่ะแต่ท่านพยายามที่จะเสนอความจริงที่เห็นเฉพาะหน้า ว่าเป็นวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยเคื่ อ, อหลักปัจจุบันเป็นหลักว่าปัจจุบันนี้เรารู้สึกเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะปัจจุบันนี่ถ้าถามว่าขณะ น, นี้เรารู้สึกอะไรบ้างในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าสมมุติเราใช้สติธรรมดาละคอยสารวจตรวจสอบดูเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนสมมุติว่าเรานั่งขณะเนี้ย เราค่อยลำดับไปเรื่อยๆซึ่งสังเกตดูดีๆเนี่ยช่วงแรกๆมันก็นั่งพอสบายพอนานๆไปมันเริ่มไม่สบายเรื่อยๆไม่สบายแล้วก็เราก็ไม่อยากจะอยู่กับความไม่สบายนี้ซ้ำรากคนส่วนใหญ่ทนไม่ได้ก็ต้องไปหาอะไรที่มันเพลินๆนะถ้าสมมุติว่าเรามานั่งทำอย่างนี้กลับไปนั่งดูข่าว ดูหนังฟังเพลงไปนั่งคุยกันไปนั่งเล่นไพ่ไปนั่งทําอะไรเล่นเพลินๆนั่นนะคือสึ่งมันจะสบายกว่าสังเกตไหมถ้าเราลุกไปได้ได้ลุก ไ, ไปนั่งคุยกันไปนั่งเล่นออะไรต่างเนี่ยเออมันเพลินๆไปอีกแบบเพราะฉะนั้ น, น, น, น, น, นตลอดเวลาชีวิตเราอยู่ด้วยความเพลินนะมันไม่ได้อยู่ด้วยความจริงนะพอพอมันไม่เพลินแล้วเริ่มอยู่ไม่เป็นแล้วทีเนี้ยมันจะหาเรื่องเพลินต่อบไปเรื่อย ไปหากินหาหาเนงอนไปคุยกันเจียวแล้วห า, หาเงินแล้วก็จบเรื่องอาหารแล้วต่อไปอะไรก็ไปเรื่อยๆเราก็เลยไปมีความสุขกระสิ่งพึ่งสิ่งข้างนอกให้มันเพลินไปวันๆนี่คือสมุทยัยคือเหตุที่เราต้องทุกข์ซ้ำซากละวางที่เราหนีความจริงที่เป็น ทุกเวทนาในาปัจจุบันแล้วไปขวนขวายแสวงหาความเพลินซึ่งมีเรียกว่าอะไรมีพละกำลังมีความอยากมีความพยายามที่จะขวนขวายหาสิ่งวัตถุที่จะมาสร้างความเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่ง นะกับพระงําลังสติปัญญาทรัพสมบัติกับที่เราสแสวงหาสิ่งนั้นกับการที่เราจะมาทนอยู่กับทุกเวาทาน่เกิดใ น, นปัจจุบันเนี่ยอันไหนมันสิ้นเปลืองน้อยกว่ากันนะแต่การที่เรามายอมรับความจริงที่เกิดนในปัจจุบันชัดชั ด, ชดสบายๆมันแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยใช่ไหมแต่มันไม่คุ้นมันไม่คุ้น ออมาก็พยายามนะว่าจะทำอย่างไรให้ให้คนเข้าใจจุดนี้แต่เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเราอยู่กับความเพลินมาจนจนชินน่ะแต่พอมาเชีย้ยเห็นความทุกข์ที่เกิดในปัจจุบันเป็นทุกขเวทนาต่างๆเนี่ยแล้วให้เราคอใจที่จะเห็นความจริงตัวนี้แล้วก็อยู่ความจริงตัวนี้อย่างเข้าใจเนี่ยมันจบได้ง่ายๆเลยความทุกข์อ่ะมันจบได้ง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่ยากมาก เราก็เลยปเปิดหมอบเป็นเรื่องของคนที่มือบุญวิสนาบรารมีคนที่มีอะไรที่เราเลือกประเภทนั้นแนหะมาก่อนคนไม่มีวิสนาบรารมีก็ไม่เอาเขาบอกใจยังไม่ถึงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เรานั่งดูทุกที่มันเกิดไปแต่ละขณะแต่ละขณะอันไหนที่มันเกินไปก็บงบัดมันเอาไปอันไหนพอทนได้ก็ทนไปมันมีบางครั้งก็มีความเบาสบายขึ้นมาบ้างนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่มันจะทุกตลอดซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจอ่ะไม่อยากใ ช, ใช้คำว่าทนนะถ้าทนดูเหมือนว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจนะอ๋อมันเป็นปนอย่างนี้เองถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงที่มีอยู่แค่เนี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ไปขนขวายอะไรมากเราก็คงมีความสุขความสบายได้ระดับหนึ่งแล้วก็มันจบ แต่ถ้าสมมติเราไปนขนขวายวัตถุต่างๆมาบำบัดความทุกข์ชนิดนี้ให้จิตของเรามันมีความเพลินเพลินในการอยู่กันกินกันหลับกันนอนกันพูดกันคุยกันได้ทำอะไรบางอย่างไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเพลินต่อการหาเงินที่บางครั้งก็ทุกข์บางตายนะเพลินเกินหาเงินทำงานหาบ่ญหาบุคำไม่ได้พักผ่อนอย่างเงี้ย แต่เพียงเพื่อจะได้เงินได้อะไรต่างมาตอบสนองความเพลินของเราเราเอาเงิ น, นไปแลกกับความเพลินเพลินกับรถเพลินกับบ้านเพลินกับเครื่องเล่นเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆนะนักทุนนิยมทั้งหลายวัตถุนิยมทั้งหลายเาก็ผลิตวัตถุกออกมาต่างๆเพื่อสนองความเพลินของเราเพราะเขารู้จุดอ่อนของมนุษย์ว่าต้องไปหาความสุขดังนั้น เพลินในรูปเพลินในรสเพลินในกลิ่นเพลินในเสียงเพลินในรสเพลินในสัมผัสอะไรต่างๆซึ่งทุก์ที่ตามมาเพราะการแสวงหาวัตถุมาสนองความเพลินของเราในหูมากมายมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายและผู้รู้ทั้งหลายมานําเสนอว่าไม่ต้องเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นเรามาเห็นความจริงแล้วก็มีความสุขอย่างนี้ได้ เป็นความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่อนะไม่ต้องอาศัยเหยื่อเป็นความสุขที่เพราะได้เห็นความจริงพอจิตมันเข้าใจและทำใจได้ระดับหนึ่งมันก็เริ่มชีวิตมันเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มหยุดเริ่มเย็นแล้วก็เริ่มเห็นสภาวะอะไรต่างๆซึ่งเป็นที่มาของความรู้ความเข้าใจสภาวะธรรมชาติ มากขึ้นเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นมิติอะไรหลายมิติในในชีวิตของเราดังนั้นเองเราจะทําอย่างไรที่จะให้จิตใจของเรามารู้มาเห็นความจริงที่มันมีอยู่เป็นความจริงที่ไม่ซับซ้อนอความจริงที่พุทธเจ้าตรัสดมีอยู่สี่อย่างใช่ไหมจำได้ไหมความจริงอันที่หนึ่งคืออะไร ข้ัตย์ใช่ไหมอันที่สองเรียกว่าสมุทยสัตว์อันที่สามนิโรธาัตวย์อันที่สี่มคศัตริย์แค่นั้นเองความจริงสี่ประการที่ท่านเปิดสรูมาไม่ซับซ้อนความทุกข์ก็เห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมว่ามันมันกําเนิดเกิดจากอะไรความทุกข์ทางกาย อ, อย่างที่เราเห็นนะพลิกกันไปเปลี่ยนกันมามันก็จะมีอยู่เนี่ย ความไม่สบายความปวดความเมื่อยความเย็นร้อนอ่อนแข็งขึ้ถึงกับวันที่เราเกิดกับวันเนี้ต่างกันไหมไม่ได้ต่างกันนะเหมือนกันทุกอย่างเลยความจริงคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงอ่าความรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆอนสมัยที่เราเกิดเป็นเด็กแดงแดงกับเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่างเพรมันเป็นสัจจคของมันน่ะนะแต่สิ่งที่ไม่ใช่ความจริงคือความเพลินและความอยากมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะ เนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นเรื่อ ง, องมันหลากหลายตัวนี้เองที่เราทำให้เราหลงเลื่อหลงในแสงในสีในรูปในเสียง ใ, ในกลิ่นในรูปในมิติต่างๆความที่เราได้เห็นความจริงคือทุกท่านก็ไม่ได้บอกว่าทุกต้องต้องเอาต้องเป็นต้องต้องไปเอานะแต่ว่าทุกต้องตามรู้ต้องตามศึกษา ทําไมนั่งไปแล้วมันไม่สบายอ่านั่งไปแล้วมันเบื่อนั่งไปแล้วมันไม่พอใจอะไรเนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ตามรู้มันไปเรื่อยๆเอ๊ะมันมีสิ่งนี้อะไรไงสู่นั่งไปแล้วเราก็อยากจะเพลินนะก็อยากจะหลับตาให้มันลืมๆทุกข์ไปซะมั่งนั่งลืมตารู้สึกมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยถ้าได้หลับตาได้เงียบไปสักนิดหนึ่งรู้สึกมีแรงเหลือเกินนั่นนะเพราะฉะนั้นการสมาธิเลยเป็นยาอะไรสกหนึ่งหนึ่งที่เราไปติด วิยาเสพติดชนิดหนึ่งเหมือนกันคือเป็นทางหลบเรื่องะให้มันลืมทุกที่มันมีอยู่หน้าปัจจุบันเนี่ยการที่เราพยายามที่เข้าสู่ความสงบเพื่อลืมสภาวะทุกไปเป็นคราวๆกับการที่เรามาบำบัดทุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยอันไหนอันไหนเขอ้อแทา ก, กว่าบำบัดทุกไปเรื่อยๆมันต้องไม่ใช่ความพยายามอะไรมากมายใช่ไหมก็ค่อยบำบัดแต่การที่เราพยายามทําให้จิตเป็นสมาธิเพื่อจะให้ จิตของเราหลบไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเราก็ให้ลืมความทุกเหล่านี้ไปเนี่ยอูใช้ความพยายามมากนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ได้ไม่นานด้วยในเะพราะหมดเพราะหมดความสงบหมดสมาธิเขากลับบักรับรู้ไอ้ไอ้เจ้ทุกเหล่านี้อีกนี่คือความต่างของสมถะกับวิปัสนาอสมถานึ่งก็พยายามที่จะหาวิธีกบเกลื่อนหรือปกปิดทุกข์ด้วยวิธีใดพี่หนึ่งแล้วมันก็อ่าใช้วิธีนั้นมาตลอดนะ แต่วิปะนะัสนานั้นเป็นกา ร, รเผชิญน ะ, ะเผชิญกับทุกที่มีอยู่แล้วก็คอยบำบัดแก้ไขไปเรื่อยๆนะในการที่บำบัดแก้ไขเราไม่ได้กลัวนะแต่ว่ า, าต้องการให้ร่างกายนี้อยู่ได้ไม่ให้เกิดวิบากตามมาทีหลังเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปบีบไปกดไปทนไปอ่านเอาไว้เนี่ยมันจะกลายไปเป็นวิบากตามมาทีหลัง น, นั้นมาพลาึกระบบความดันเบาหวานหัวใจตามมาทีหลังเพราะว่าความผิดปกติของร่างกาย การที่เราบำบัดเนี่ยก็เพื่อให้ร่างกายไม่ผิดปกติเท่านั้นเองคือมันอยู่ได้ทนได้นะฉะนั้นเองเอามาเองในสมัยพบหลวงพ่อเทียนสมัยแรกเนี่ยเอามาตั้งคําถามเลยว่าคือไปพบอาจารย์วิปัสสนาหลายท่านท่านบอกว่าถ้าหากท่านไม่รู้จักรูปจากนามเลยนะก็ปฏิบัติวิปัสสนาไปไม่ได้ท่านจะต้องไปรู้จักรูปจากนามท่านอธิบายเรื่องรูปนามไป เราก็จินตนาการรูปนามกับที่ท่านอนธิบายเราก็พอเราเข้าใจอกายคือรูปใจคือนามเฮ้เราก็มีกายแล้วก็มีใจก็มืก็รูปนามก็มีอยู่แล้วนี่เราจะเข้าใจแบบไหนล่ะแล้วก็เราก็รู้แล้วเข้าใจแล้วนี่รูปนามก็ไม่เห็นว่ามันจะลดลัดตัดทุกอะไรได้นะนะในที่สุด พอไปเจอหลวงพ่อเทียนคำถามแรกที่สุดว่าถามหลวงพ่ออะไรรูปน้ำผมจะเห็นรูปน้ำได้อย่างไรท่านไม่อธิบายเลยเลยท่านก็เอาขวดน้ำใกล้ๆนี่ตั้งมาแล้วเปิดฝาออกสมมติว่า น, นี่น้ำเต็มเนี่ยถ้าผมโยนไปเนี่ยอะไรเกิดขึ้นน้ำก็หกหมดแล้วหลวงพอ่อน้ำก็หกไม่มีเหลืออ้า ถ้าสมมติเราผมเอาอันนี้ปิดใหม่ปิดให้สนิทเลยนะแล้วก็โยนไปใหม่อะไรเกิดขึ้นน้ำก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะมันมีฝาปิดอยู่ท่านบอกว่าอันนี้คือรูปน้ำเก็ตไหมยังนะท่า <laughs> นบอกว่าให้ไปหาตัวนี้มาเนี<ไ>่ยไปหาตัวนี้มา บอกว่าสิ่งที่อยู่ในขวดเนี่ยเสมือนด้วยว่ามรรคผลนิพพานความสุขความสงบมันมีอยู่พร้อมอยู่แล้วในในในในใจเราเนี่ยแต่มันขาดตัวนี้เท่านั้นเองนะที่มันอยู่ไม่ได้เพราะวมันมันล้มอันนี้ล้มที่ไรเนี่ยมันหายหมดอันนี้มันล้มที่ไรมันหายหมดอันนี้มาไม่ได้คําตอบทีหลังนะถ้าไม่ได้อธิบายนะท่านบอกแค่นี้มาก็กลับต่อเหมือนเส้นเลยนะอเส้นเลยนะ มาที่หลังเอามาเพิ่งเมื่อทราบห่านไปหลายปีนะถึงเมื่าทราบอ๋อเพิ่งทราบว่าคือกระป๋องนี่เหมือนรูปกำน้าอ่ารูปกำน้าแต่ในรูปในน้ําเนี่ยมันมีน้ําอยู่น้ําใสๆอยู่น้ําที่น่ากินน่าดื่มอยู่ก็คือเหมือนคอสภาวะธรรมต่างๆที่จะทําให้เกิดการรู้ ก, การเห็นเข้าใจมีอยู่แล้วพร้อมแล้วแต่ว่าที่มันอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราขาดตัวนี้ เมื่อรูปเสียงกีรติมาชนเราแต่ละครั้งเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ล้มจิตล้วก็ล้มไปตามนั้นพระรูปมากระทบแล้วก็ไหลคิดไหลไปตามรูปล้มละตัวเนี้ไอ้สิ่งที่ดีของเราก็ไปกับความคิดหมดเสียงมากระทบก็ล้มอีกกลิ่นมากระทบชอบใจล้มอีกรถมากระทบก็ล้มอีกสัมผัสมากระทบก็ล้มอีกอารมณ์มากระทบลมวันมันล้มทั้งหลายหน วันหนึ่งมันล้มต่หลายคนแล้วก็ไอสิ่งที่ดินเลียงก็ไหลไปหลายครั้งไหลไปกับความคิดนั่นเอง oh. เพราะฉะนั้นบอกว่าท่านอะให้ไปหาตัวนี้มาจะถามโยมว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไร oh. บอกไปหาตัวนี้มาเ oh. hey, จะต้องให้ฟิชนาทำให้โยมไปหาแบบอาตมาบ้างวันนี้มา <c oughs> ดูว่ากี่ปีจะได้คําตอบตัวนี้นะ อามาจะได้คําตอบวันนี้ก็หลายปีนะหลังจะได้คําตอบได้อันตัวนี้มาแล้วหัวมาไม่เคยพลาดเลยทีตั้งแต่ปี29เป็นต้นมาก็รักษาตัวนี้อย่างดีเลยเขาปิดเอาไว้อะไรชนุนพยายามให้มันลมน้อยที่สุดแล้วพยายามปิดให้มันแน่นนะสิ่งนี้ที่เจอก็คือตัวนี้แหละที่เราปฏิบัติก็เนี่ยความรู้สึกตัวตัวเนี้ พอเราอะไรชนแล้วเราไม่รู้สึกเราไปกับสิ่งนั้นถ้าถ้าสมมุติว่ารูปมาชนเราปับ๊บถ้าเรารู้สึกก็คือสัตรว์รูปนี่ไอาความว่ามันไม่ไหลละมันไม่ไหลไปกับรูปละจิตของเราไม่ล้มแล้วก็ไม่ไหลไปกับรูปที่มากระทบรูปที่มากระทบเราแล้วจําเป็นต้องตอบสนองกับรูปที่มากระทบ เราแล้วไม่ต้องตอบสนองเนี่ยอันไหนมันมากกว่าในชีวิตประจำวันรูปที่มากระทบตาของเรากับเราจำเป็นต้องตอบสนองกับรูปที่มากระทบตาแล้วเราไม่ต้องตอบสนองก็ก็ได้ไม่ม <the> ีปัญหาอะไรเนี่ยอันไหนมันมากกว่าระหว่างสิ่งสองสิ่งนี้ฮะู่นดิ ไม่เอามาถามมา ก, มากหรือน้อยไม่ได้ถามว่าเรื่องด้านที่สิ่งที่เราจะต้องจําเป็นต้องทําตามเนี่ยกับสิ่งที่เราเห็นแล้วไม่ต้องทําตามเนี่ยอันไหนมันมากอันไหนมันน้อยกว่ากันในวันวันหนึ่งเนี่ยฮะเอสงสัยว่าคอออําถามมันจะมายาก<笑><笑>เดี๋ยวถามใหม่ เอาเอาทางเดียวอะเอาทางตาทางเดียวก่อนไม่ต้องหูจะหูลิ้นกายใจอะสิ่งนี้มากระทบทางตาแต่ละวันเนี่ยที่กระทบแล้วเราจะไปต้องตอบสนองทำตามคิดตามปฏิบัติตามจับมากระทบแล้วเราไม่จะไปต้องทำตามคิดตามปฏิบัติตามเนี่ยสิ่งไหนมากกว่าชัดๆหน่อยอัานไหนมากกว่า ไม่จําเป็นต้องตอบสนองเนี่ยมากจนเทียบกันไม่ได้สิ่งที่เราเห็นทุกอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปรู้ว่ามันเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันจะเป็นเออเอานั้นมาหน่อยซี่เนี่ยจําเป็นได้ใช่ไหมไปเอาพัดลมมาหน่อยก็ก็ดูแต่พัดลมเท่านั้นแหละซึ่งอื่นเราเห็นไหมกระทบไหมกระทบหมดแหละแต่มันไม่จําเป็นจะต้องไปคิดไม่ต้องไปจําหรือไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นนี่เพราะฉะนั้น เมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นเพียงแต่เรารู้สึกว่าการกระทบเท่านั้นพอไม่จําเป็นจะต้องว่าคิดตามทําตามเพราะมันไม่จําเป็นร้อยอย่างมันจะจำเป็นสักสองสาอย่างเท่านั้นามาว่าที่เราเห็นอายัดตนะอื่นๆก็เหมือนกันทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่เราไม่จําเป็นจะต้องตอบสนองเนี่ยเยอะมากเลยวันวันหนึ่งใช่ไหม แต่สิ่งที่เราต้องตอบสนองมีไม่กี่อย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไงเราจะไปตอบสนองมันหลายๆอย่างทั้งที่ไม่จําเป็นใช่ไหมเช่นเขากําลังพูดกันอยู่ที่นู่นนะไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่เราก็อยากฟังเ <c oughs> ขาพูดเรื่องอะไร <c oughs> ใช่ไหมอเ น, นี่ยล้มไปกับเขาแล้วลงไปแล้วออพอได้ยินเสียงเพลง ที่นุ่นเข้ามาไว่เอาไปแล้วอเพลงอะไรนะครับเพราะอจังอะไรไม่จําเป็นจะต้องฟังเลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องตอบสนองแต่ว่าก็ไปแล้วนะอันนี้คือความเคยชินของเรามันดึงไอ้ตัวนี้มันจึงล้มแล้วล้มอีกวันล้มหลายครั้งอย่างไงแต่ถ้าจําเป็นต้องล้มก็ไม่ยากต้องอ่าสมมติว่าจําเป็นต้องล้มก็เปิดแล้วก็แค่เนี้ยคือจําเป็นของมันใช่ไหมพอล้มเสร็จแล้วก็ปิดใะ ถ้าเรามีสติรู้ไม่ใช่ว่าหมายความไม่ไม่ให้ล้มเลยตัวนี้นะล้มในายามที่จําเป็นเนะี่ยตอนที่เราดื่มเรากินแค่นั้นอนะใช่ไหมนี่แต่ล้มในายามที่ไม่จําเป็นเนะี่ยมันหมายความมันเปิดอันนี้ไว้โล่เลยอนะ่ะล้มที่ไร ห, หมดที่นั่นนั่นมรรคผลนิพพานที่มันมีอยู่แล้วในกายนะในใจของเรามาต้องไหลหนีตลอดเวลาฮาไหลออกตลอดเวลาดังนั้นท่านจึงบอกว่าให้อะ อตัวนี้ปิดไว้คือสติมาท่านใช้คําว่าอินทรังวรเคยได้ยินคานี้ไหมอินทรังวรในตัวอินทรังวรนี่เองมันจะนําไปสู่ตัวสติปัฏฐานสี่เอาละไหนๆก็พูดถึงเรื่องอินทรังวรอินทรังวรเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรเป็นที่มาของอินทรังวรสมมุติว่าเอาละวันนี้ ที่เรามานั่งณนะจุดเนี้งานเนี้ยที่เรามานั่งตัวนี้เรามาได้ต้องลำดับลึกไปว่าเรามาได้เพราะอะไรพาเรามาอลองนึกดูที่ว่าอะไรพาเรามาดูหมอเป็ดอะไรพาหมอมานี่ ศรัทธาเนะี่ยก่อนที่จะมีศรัทธาเนี่ยอะไรทําให้เกิดศรัทธาศรัทธาหมายความคืเชื่อมั่นว่าปฏิบัติแล้วมันจะเกิดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอะไรทําให้เกิดศรัทธาต้องมีการได้ยินได้ฟังจากกัณยนานมิตรใช่ไหมว่ามีเพื่อนบอกมีเพื่อนเออปฏิบัติแบบนี้ดีนะ ปฏิบัตินี้เข้าใจแล้วมันทำให้ลดลัดตัดทุกข์ได้เร็วนะเราก็รู้สึกเกิดศรัทธาอยากจะทำบ้างใช่ไหมทีนี้เมื่อเกิดศรัทธาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือคืออะไรเอ่ยเกิดการไม่เจอ ก, กระยามิทถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจะได้เกิดศรัทธาไหม ไม่เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกายานิมิตให้อะไรกับเราหนึ่งให้สุตาเมยะปัญญาการได้ยินได้ฟังสองสองเมื่อได้ยินได้ฟังจากกายานิมิตแล้วเลกเิดเกิดการคิดไข้ครวญเกิดจินตามะยะปัญญาสามเราเอาไปทำํำทดสอบทำดูเกิดภาวนามนยาปัญญาเมื่อเอาไปทำแล้วเอ้มันเข้าท่านี่ก็เกิดศรัทธาใช่ไหมเพราะนั้นกายานิมิตให้ปัญญากับเราเพราะปัญญาทําให้เกิดศรัทธา มเมื่อเคยศรัทธาแล้วเราก็ได้สติได้สัมปชัญญะมาเพิ่งนึก น, กนกึถึงเรื่องนี้เมื่อก่อนเราเคยนึกถึงเรื่องดับทุกข์ไหมนึกถึงเรื่องการมาดูใจไหมนึกถึงเรื่องการที่จะเอาตันหาเห็นโทษของตันหาไหมเห็นโทษของอวิชชาไหมเมื่อก่อนไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่พอมีศรัทธาแล้วได้สติเริ่มเห็นโทษของสิ่งนี้เรียกว่าได้สติสัมปชัญญะใช่ไหมอ่า ลำดับไปนะเมื่อเคยสติสัม ญ, ญาจาร์ได้คิดว่าเออถ้าดับถ้าทุกในกายในใจนี่มันหายไปก็ดีนะเราก็จะได้มีความสุขมีความสงบแล้ปัญหาอะไรต่างๆที่เรามันเคยลุมเคยเล่าอะไรต่างๆนะั้นเราไม่ได้คิดตอนนี้เราได้คิดได้สติสัม ญ, ญามาแล้วสติสัม ญ, ญาก็เกิดการอะไรต่อพิจาครณาไข้ครวนเกิโยนิโส ổ, ใช่ไหม อ่าเกิดโยนิโสไหมเพราะว่าเราพิจารณาใข้ควรที่ความเป็นไปเป็นมาว่าเออมันจะทําอย่างไรนะว่าไอ้เมื่อไปเจริญสติแล้วเราสติมาทําอย่างไรมันเกิดความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวมันไปจัดการกับความคิดได้อย่างไรมันจะไปลดรัดตัดทุกข์ได้อย่างไรอ่ามันไปตัดความไม่รู้ความไม่รู้สึกตัวเป็นอย่างไรการนําสิ่งนี้มาใข้ควรเรียกว่าโยนิโสมนสิการ และโยนิโสมนสิกายนี่เองนาไปสู่ทำให้เกิด si won. อินซีสังวรอนนี่ที่มาของเขาคาอเอามาพูดเข า, าอิกสังวนมันหมายถึงตัวเนี้ยมายถึงฝาตัวเนี้ยหมายถึงตัวสติว่ามีการสํารวมระมัดระวังตาหูจหมูกลื่นกายใจ won, สังวรสํารวมระวังเมื่อก่อนนี่เราจ ะ, ะฟังอะไรแล้วก็อยากจะ คิดไปตามไปเลยพี่อยากจะพูดอะไรก็พูดไปเลยไม่มระมัดระวังใช่ไหมแต่หลังจากที่มีการไข่ควรการพิจารณาเห็นขอคอยได้ค่อยเสียแล้วเริ่มได้ได้สติยับยั้งบ้างแหละสังวรระวังต า, งาหูจมูกลิ้นกายใจมาให้ไปตามหรือไหมเขาอะไรมาชนก็อย่าลกุกจากมันนะคอยระวังเมื่อเรารู้จักระวังเนื้อระวังตัวระวังคําพูดระวังความคิดระวังการการะทําแล้วอะไรเกิดขึ้นที่นี้ ทำให้กายวายใจใจของเราถูกต้องมากขึ้นใช่ไหมเพราะมีการกันกรองเพราะอีซีสังวรทำให้เรากันกรกองการที่เรามีกายวายใจใจถูกต้องมากขึ้นเรียกว่าสุจริตสามกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี่เมื่อเกิดความถูกต้องความ ดีงามความาบริสุทธิ์สะอาดของกายวาจาใจขึ้นระดับหนึ่งแล้วนั่นแหละจิตชนิดนี้ถ้าพร้อมที่จะเจริญสติปนันสี่ที่เรามานั่งเนี่ยหมายความว่าเรามีฐานตัวนี้มาแล้วอย่างน้อยอาจจะไม่ใช่ร้อเปอร์เซนเราเคยพบกับกัณฐมิตรมาก่อนเราเคย เ, เกิดสัตได้ยินได้ฟังจากกัณฐมิตเราให้ฟังแล้วก็เคยสะทาอยากจะทําพราะ เปิดศรัาแล้วได้สติสัมัยยะเพราะได้ก เ, เกิดการพิจารณาไข้ครวญก็เกิดการระมัดระวังในการใช้าตาหูจหมูกลิ้นกายใจแล้วมากันกองการทำการพูดการคิดของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ไม่ไปตามอารมณ์ว่าเ ง, งั้นเถอะแล้วจิตลักษณะนี้เขพร้อมที่จะเจริญสติปัฏฐานนะเอจะลำดับทันไหมทันนะอนี่พูดถึงที่ไปที่มาพราปลาอันนี้เป็นเหตุ ว่าเรามาเจริญสติประฐานสีได้อย่างไรมันจะต้องมีฐานตัวนี้ก่อนพาจู่มาอยากเจริญสติเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะต้องมีที่ไปที่มานะเอาละทีนี้พูดถึงเรื่องเรื่องนี้จบไปเรื่องที่สองต่อมาปารกถึงเรื่องหลวงพ่เทียนพูดตอนเย็นนี้ว่าเบื้องแรกที่สุดที่ท่านสาวลมหลักๆล้วท่านให้รู้โดยเฉพาะคนสุดท้ายเนี่ยให้รู้อะไรนะรู้ลูกนามใช่ลูกทำนามทำ รูปรูปนำโรครูปทุกนำทุกรู้ันนี้จังทุกขาหน้าตาที่ท่านสอบยงเมื่อกี้ใช่ไหมคําพูดเหล่าเนี้ยเป็นคําพูดที่เป็นรหัสทั้งนั้นเลยเราไม่คุ้นรูปนามแต่รูปนามามาพูดมาสองวันนี้เริ่มคุนหรือยังคุนนะรูปนามหมายถึงอะไรความรู้เนื้อรู้ตัวนะความรู้เนืรู้ตัวรูปนามหมายถึงสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวจะพลิกจะเปลี่ยนจะเคลื่อนจะไหว แค่รู้เนื้อรู้ตัวชัดๆแล้วเมื่อก่อนรู้เนื้อรู้ตัวรู้แต่ว่ามันรู้ไปกับความคิดแต่ไม่มารู้กับความจริงความรู้ความรู้เนื้อรู้ตัวที่เรารู้รู้กับความจริงความจริงที่ว่ามาไม่กี่มีกี่อย่างสี่อย่างใช่ไหมเราทุกเราไม่สบายกายล้วก็มาปรับนูนปรับนี้การรู้จักปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวนี้ก่อให้เกิดตัวสติสัมชัญะ สติลู้เนรู้ตัวเพราะอาศัยตัวทุกข์เป็นเหตุไม่ได้อาศัยความคิดเป็นเหตุแต่แล้วเออคิดด้วเออหน้าอย่างนี้หน่าจะเป็นรูปเป็นนามหน้าอย่างนี้จะเป็นสติใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แต่อาศัยความจริงเปที่ตั้งความจริงที่เราทุกคนประสมในขณะ น, น, นี้ก็คือความไม่สบายกายคือทุกขเวทนาในระดับใดระดับหนึ่งตั้งแต่ระดับบางๆจนไปถึงหนักๆแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อที่จะบำบัดทุก เราก็จะเอาตัวความจริงคือทุกเนี่ยมาเป็นนิมิตกรรมฐานหมายความเป็นที่จ้งในการเฝ้าดูทุกต้องกําหนดรู้ใช่ไหมทุกต้องรู้ทุกต้องเฝ้าดูทุกต้องศึกษาทุกต้องวิเคราะห์ทุกต้องวิจัยนี่ทุกง่ายๆที่มันเกิดกับกายนี่แไม่ใช่ทุกที่ยังไม่เกิดนะทุกที่กําลังเกิด เมื่อทุกกายก็ตามทุกใจก็ตามทุกที่เกิดไปแล้วก็ไม่เอามาพิจารณาทุกที่ยังไม่เกิดก็ยังไม่ต้องเอามาศึกษาแต่ศึกษาทุกที่ขณะกําลังเกิดขณะนี้อะระดับใดระดับหนึ่งถ้ามันมีน้อยก็ศึกษาตามที่มันมีถ้ามันจะว่าไม่มีเลยไม่มีทุกคนมีอยู่ใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดหนาวร้อนมีอยู่ตลอดเวลานะแล้วต่อมาตัวสมูทัยต้องละ วิธีละทุกที่เวทนาที่เกิดขึ้นในกายนี้ละแบบไหนบ้างละโดยสองลักษณะหนึ่งละโดยสัญชตาตญาณสองละอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเราละแบบไหนถ้าเรายังไม่เคยเจริญปัญญาจะเจริญสติมาก่อนเราละเราบัดทุก้วยวิธีใดวิธีสัญชตาตญาณคือหมายถึงว่าพอไม่สบายป้อกรพริกไปเลย ไม่สบาต้องก็ลุกไปเลยใช่ไหมอ่านี่หมายความว่าตอบสนองแบบสัญชตาตญาณคือความทุกข์ดัานหายไปเหมือนกันแต่ว่ามันได้ทางเดียวคือได้ความรู้สึกสบายเท่านั้นแต่สติสมญาเพิ่มขึ้นไหมไม่ได้เพิ่มนี่นี่คือข้อที่เรามาปฏิบัติเอาทุกเป็นที่ตั้งของการตามรู้ เมื่อไปตามรู้ก่อนที่เราจะบำบัดทุกข์ออกไปแต่ละครั้งในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเข้าไปกํานรู้เรารู้ว่าการเคลื่อนไหวของกายคือการบำบัดทุกข์ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปบำบัดอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างรู้ตัวนี่เขาเรียกว่าจะเกิดปัญญาญาณแต่ถ้าบำบัดแบบไม่รู้ตัวเรียกว่าเกิดอะไรสัญชาติญาณ การบำบัดทุกโดยสัญชาตญาณมันมันเป็นทั้งคนและสัตว์ไม่ได้สัตว์มันก็บําบัดทุกของมันเหมือนกันในี่ยหิวมันก็ไปหากินเวลามันเกิดทุกอย่างมันก็หาวิธีบําบัดของมันเราก็เวลาทุกข์ขึ้นมาเราก็บําบัดของเราการที่บําบัดโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาเรียนรู้วิธีการบําบัดเนี่ยท่านเรียกว่าทําตามสัญชาตญาณลักษณะนี้ไม่ก่อให้เกิดตัวภาวนา แต่พอเรามาบำบัดทุกอย่างมีรู้เนื้อรู้ตัวอย่างมีความรู้สึกตัวแล้วเข้าไปรู้การบําบัดมันเป็นขั้นเป็นตอนจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินอะต่างๆที่เราทําอยู่เนี่ยเข้าไปรู้การเคลื่อนการไหวเนี่ยคือการบําบัดทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือตัวปัญญาญาณนะนี่คือว่าทําไมตัวเข้าไปศึกษาเลสสี่แล้วมันเกิดอะไรและตัวปัญญาญาณนี้ก็คือนําไปสู่ตัวอะไร นิโรธคือทําให้เราทําการบําบัดทุกทางกายแต่ว่ามันไปบําบัดทุกทางจิตได้ด้วยทุกทางจิตก็ค่อยดับไปด้วยหมายความว่าไงหมายความถ้าเราชัดต่อการเคลื่อนการไหวการไปมาของร่างกายเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดความคิดปรุงแต่งเพราะจิตมันมีดวงเดียวเมื่อมารู้กายชัดๆแล้วมันก็ไม่ต้องไปตามความคิดมันมาอยู่ความรู้สึกตัวมาอยู่กับความรู้ตัวจิตก็ยังมาตั้งอยู่ที่ความรู้ แต่พอหาก่อนรู้ความเป็นไปของทุกในกายไม่ชัดจิตมันก็จะไปตั้งอยู่ในความคิดโดยสัญชตาตญาณของมันนะทันนะเข้าใจนะข้างหลังเข้าใจนะว่าจิตถ้ามันไม่อาศัยตั้งอยู่ตัวรู้มันก็จะไปตั้งอยู่ที่ตัวคิดแต่ถ้าจิตที่มันไปตั้งอยู่โดยคิดมันกลายเป็นตัวอะไรอ่ะ ตัวสังขารตัววิญญาณตัวปรุงแต่งตัวจันหา์หาวทานไปนู่นยาวไปเรื่อยๆนั่นเมื่อความน้นําไหลแล้วไหลออกจากกระป๋องนะแต่พอมีสติเข้ามาตามขนุนปั๊บมันไม่ไหลมันปิดมันไม่ไหลมันไม่ออกไปบุกชนก็ไม่ไหลออกไป <c oughs> นะทีนี้มาดูอีกทีหนึ่งเมื่อเรารู้ว่ามันชัดแล้วตัวทุก์ สมูทยัยเ่ยสมูทยัยคือความยากที่จะคิดเรื่องนั้นนี่มันดับไปวิธีที่จะทำทีเนี้ยจะทำยังไงวิธีที่จะสร้างตัวรู้ตัวนี้ให้เยอะๆจะทำย่างไรอันนี้แหละมันก็กลายมาเป็นมครคคือสมถะและวิปัสสนาถ้าเรามาจับตัวรู้ที่รูปเรียกว่าสมถ t ถ้าเอาจิตไปตั้งที่รูปเรียกว่าสมถ t แต่ถ้าเอาจิตไปตั้งที่ตัวรู้เรียกว่าวิปัสนาจิตนี้จะไปตั้งที่ตัวรู้หรือตัวรูปเราต้องการตั้งแบบไหนถ้าตั้งอยู่เอาจิตไปตั้งอยู่ที่รูปจิตก็สงบได้เหมือนกันแต่สงบชั่วคราวเพราะมันไม่เกิดปัญญาเพราะเป็นการสะกดให้มันอยู่กับรูปเช่นเอาอรูปต่างๆมาเป็นกนสิน กสินสีขาวกับสินสีแดงกระสินสีเขียวเอาพระพุทธรูปจินตนาการพุทธรูปขึ้นไว้ในใจแล้วก็มาสร้างรูปลมหายใจขึ้นมาเอาใจไปวิ่งกับตามรูปมาสร้างรูปกระสินต่างๆขึ้นมาจิตก็สงบได้เหมือนกันแต่เป็นสมถะหรือแม้กระทั่งเราสร้างคําพูดบริกรรมขึ้นมาแล้วเอาจิตไปไว้ตรงนั้นก็จิตสงบได้เหมือนกันแต่สงบแบบสมถะ แต่วิปัสสนานั้นเอาตัวรู้ที่เรากําลังทําเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของจิตเรายกมือเนี่ยรู้แต่ไม่ได้เอาจิตที่ตั้งที่มือนะแต่เอาจิตไปตั้งที่ตัวรู้สึกที่เกิดกับมือเราเดินก็ไม่ใช่หมายความว่าเอาจิตไปตั้งที่ที่เท้าหรือที่ขาแต่เอาจิตไปตั้งที่ความรู้ที่เกิดจากการเคลื่อนของเท้าของขานี่ดังนั้นเอาตัวรู้เป็นนิมิตเอาตัวรู้เป็นอารมณ์ เรียกว่าเอาตัวปรมัตเป็นอารมณ์พราะตัวรู้เป็นปรมัตแต่พอเอาตัวรูปเป็นอารมณ์เรียกว่าเาสมมติเป็นอารมณ์เป็นสมถะท่านนะนี้เรียกว่ารูปทำนามธรรมคมายของรูปมันทํางานก็รู้นามมันทํางานก็รู้รูปทำนามธรรมทำเทอทหาน รูปมันทํางานแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปเห็นการทํางานของรูป ก, กับนามทํางานด้วยกันมันถึงกลายเป็นธรอรมรรมอแต่ว่าต้องเห็นธรรมตัวนี้ก่อนเห็นการกระทําเืีอก่อนมันถึงจะไปเกิดการกระทําตัวนั้นแต่ถ้าไม่เห็นธรรมตัวนี้ธรรมตัวนั้นก็ไม่เกิดเห็นการกระทํารูปมันทํางานอย่างไรรูปทำงานด้วยอะไรการที่รูปมันทํางานเนี่ยเพราะอะไร อหน้าที่ของรูปทำงานอยู่กี่อย่างสามอย่าง <c oughs> จำหลักสูตรให้ดีหนึ่งรูปมันทำงานด้วยการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวต่อเวลาคืออนนี้อย่างสองรูปมันแสดงถึงความทนต่อการเปลี่ยนแปลงทนอ่ะคือเรียกว่าไม่สบายนะคือทุขัง สามรูปมันจะต้องแตกดับสลายตลอดเวลาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็เป็นอนัตตาเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาที่กืรูปทํานามธรรมรูปนามธรรมคือนามเข้าไปรู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้อความให้มารู้การทํางานของรูปอันนี้ก่อนเมื่อจารรู้การทํางานของตัวนี้มันถึงไปเป็นธรรมตัวนั้นแต่ว่าถ้ารูปทําแล้วไม่เข้าไปรู้ทําตัวนั้นก็ไม่เกิด มันก็กลายเป็นรูปอทุกนามทุกแต่ถ้าเราเข้าไปรู้มันเป็นรูปธรรมนามธรรมถ้าไม่เข้าไปรู้ตามการการะทําของรูปนะเป็นรูปทุกนามทุกทําไปด้วยความทุกทุกคนเกิดก็ไม่รู้นะแล้วก็ทุกตรงนี้เขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนีธีที่ท่านเอ่ยถึงนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนอะไรเป็นเรื่องที่เราสัมผัสอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละ แต่ว่าไม่มีเราไม่มีการที่จะอมาชี้มานํามาแยกมาแยกเห็นให้ชัดเท่านั้นเองเราก็เลยไม่เห็นความสําคัญของตัวเองเราก็ไปเห็นความสําคัญของวัตถุอ่าดีกว่าสิ่งที่ความจริงที่เกิดขึ้นในตัวเองพระพุทธเจ้าท่านชี้แล้วชี้อีกแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเราดาถากฎจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งนี้มีอยู่แล้ว อันนี้จังทุกข์ขหน้าตามีอยู่แล้วทุกข์ละการดับทุกข์มีอยู่แล้วแต่เราจะท้าคตเกิดมาเพื่อทําหน้าที่ชี้เรื่องทุกขละการดับทุกข์เ่านั้นแต่ถ้าไม่มีทุกข์แล้วไม่มีการดับทุกข์เกิดขึ้นตะทาคตหรือพุทธเจาาทั้งหลายก็ไม่จําเป็นต้องเกิดอันนี้จะตัดเองนะที่เกิดมาเพื่อมาบอกเรื่องทุกข์ละการดับทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยมันมีการดับได้นะท่านก็มาบอกการดับแล้วมาชี้ว่าอะไรเป็นทุกข์กันเองนะ ทีนี้ทุกที่มันจะเป็นที่เราต้องพระพุทธเจ้าต้องเชี่ยวเห็นคือทุกที่เป็นสมุทัยไม่ใช่ทุกที่เป็นทุกขลักษณะทุกที่เป็นสมุทัยคือทุกที่มันเกิดทางเกิดมาในจิตแต่ทุกที่เกิดทางกายนี่ไม่ได้เป็นสมุทัยคือไม่ได้เป็นเหตุแต่มันเป็นโดยหลักของกฎของไตรลักษณ์เาเทุกขลักษณะ มันจะทุกสมุทยัยถ้าทุกข์จะเปสมุทัยที่เกิดจากจิตคือเราไม่รู้เท่าทันทุกลักษณะจึงปเป็นเกิดสมุทยัยทำให้เราคิด <c oughs> สมุทยัยแปลว่า <c oughs> สมุทัยมีสามอย่างคืออยากได้เป็นสมุทยัยสองได้มาแล้วก็อยากยึดครองใช่ไหมสาม เมื่อมันไม่ได้ยึดของมาแล้วมันไม่ได้อย่างใจก็อ ย, อยากทิ้งอยากเลิกอยากละอยากหนีอยากไม่เอาท่านเชี่ยวกามมาด่าหาเพราะว่าด่าหาวิเพราวตัดหาใช่ไหอนะทีนี้ความอยากกับความคิดเนี่ยใครอาศัยใครความอยากกับความคิดอันไหนเกิดก่อนเออใครอาศัยใครความอยากอาศัยความคิดเกิดหรือความคิดอาศัย ค, ความอยากเกิด ฮะความความอยาอาศัยความคิดเกิดใครว่าความอยากอาศัยความคิดเกิ ด, ดยกมือขึ้นมีสองสามใครว่าความคิดอาศัยความอยากเกิ ด, ดยกมือขึ้นคนที่ไม่ยกหมายความว่ายังไม่รู้เหมือนกันเ <laughs> ัียไม่รู้กันอา น, นิสตตายของอาจารย์ที่เล่ยุดเนะเอาดีดพิจารณาดี สมมุติว่าเอาละเอามายมนั่งเนี่ยยมอยากจะลุกใช่ไหมเพราะอะไรที่อยากจะลุกอยู่หมอเป็ด น, นั่งท่าเนี้อยากจะพลิกไปท่านเนี้ยเออเอาให้แน่ความอยากเกิดความคิดหรือความคิดทำให้เกิดความอยาก ความคิดทำให้เกิดความอยากน้ําเกิดจากปลาหรือปลาเกิดจากน้ำเออเอาให้แน่น้ําเกิดจากปลาหรือปลาเกิดจากน้ําปลาเกิดจากน้ําระหว่างน้ํากับปลาระหว่างความคิดความอยากอันไหนเป็นน้ําอันไหนเป็นปลา <c oughs> คาเป็นน้ําตาเป็นความอยากน่าสนใจมันต้องคิดก่อนหนะใช่อยากมันต้องจะเกิดขึ้นถ้าไม่คิดไม่อยากคิดอยากนั่นคิดอยากนี่ใช่ไหมโอ้วันนี้คิดอยากอันนั้นคิดมาก่อนอถ้าอยากจะคิดนี่มันหมายถึงคิดแล้วมันอยาก เพรจะฉนั้นเขาเรียกว่าอันยะมันจะอาศัยซึ่งกันและกันปลาอาศัยน้ำน้ําอาศัยปลาความพิดอาศัยความอยากเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดเพราะมีความคี้ความอยากจึงเกิดเพราะมีความอยากความคี้จึงเกิดเขาเรียกอันยะมันยะปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนถามว่าอาแสงสว่างกับความมืดอ่ะอะไรเกิดก่อนอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีแสงสว่างความมืดก็ไม่เกิดถ้าไม่มีความมืดแสงสว่างก็ไม่เกิดนี่เนี่ยเราเห็นเพราะมันเป็นความมืดเพราะมันมีแสงสว่างอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นที่เรามาเจริญสติเนี่ยเราจัดการต้องการจัดการความอยากหรือจัดการกับความคิดเอาให้แน่ที่เรามาเจริญตัวรู้เนี่ยเราต้องการที่เอาตัวรู้ไปจัดการกับความอยากหรือจัดการกับความคิดเอาละสี่ทีเนี้ยจะสอบตกสอบได้เนี่ยคราวนี้แหละ เวลาเราไปเบี่ยงตกแห่ตกเบ็ดเนี่ยเราต้องการน้ําหรือต้องการปลาต้องการปลาไม่ต้องการน้ําใช่ไหมน้ํามันมีอยู่แล้วอ่ะถ้ามันมีน้ํามันก็ไม่มีปลาที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการเอาความคิดและความอยากออกอีกทีนึงเอาความอยากออกเอความคิดมันความคิดมันเป็นได้ทั้ง ปัญญาและเป็นได้ทั้งความมืดใช่มอ่าเป็นได้ทั้งความมืดจะเป็นได้ทั้งปัญญาถ้าความคิดนั้นมีสติเข้าไปประกอบความคิดก็กลายเป็นปัญญาถ้าความคิดนั้นมีการลืมสติเข้าไปประกอบก็เป็นตัวความอยากคือตัณหานะเพราะฉะนั้นเราความคิดมันมีแล้วเป็นพื้นฐาน คิดมาจากไหนคิดมีอยู่ก่อนไหมเอาละมาจะทดวองให้ดูเสียงโตัวมือนี่มีอยู่ก่อนไหมมันมีขึ้นตอนไหนเสียงเสียงกระทบมาจากมือหรือมาจากโต๊ะ <c oughs> <c oughs> ดูให้ดีเสียงดังขึ้นเมื่อกี้ไม่มีอยู่ก่อนใช่ไหมพอจบ ป, ปั๊บมันเกิดถามว่ามันมาจากไหนแล้วมันหายไปไหนเสียงแล้วเกิดจากมือหรือเกิดจากโตก๊ะ น, นี่เกิดจากการกระทบความคิดไม่ได้มีอยู่ก่อนแต่ความคิดเกิดขึ้นเพราะอาศัยการกระทบ ความคิดไม่ได้เกิดจากเสียงและความคิดก็ไม่ได้เกิดจากลูกแต่ความคิดเกิดกับการกระทบความคิดไม่ได้มีอยู่ก่อนนี่แต่มันมีคนเรามีจุดกระทบกี่จุดในตัวเรานี่หจุดใช่ไหมตากระลูกกระทบทางตาเสียงกระทบทางหูจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสสัมผัสกระทบกายอารมณ์กระทบจิตเพราะฉะนั้นมันมีการกระทบ ในเวลาเดียวเนี่ยบางครั้งสองจุดบางครั้งสมจุดบางครั้งสี่จุดบางครั้งห้าจุดแน่นอนเมื่อกระทบแล้วต้องมีอะไรเสมอมีอะไรเสมอ <c oughs> มีเสียงอันนี้การกระทบแล้วถ้าเกิดความคิดเสมอแสดงว่าความคิดมัอยู่แล้วตลอดเพราะมันมีการกระทบตลอดแต่ตัณหามันจะเกิดและไม่เกิดในเมื่อมันมีเหตุปัจจัยในน้ําไม่จําเป็นต้องมีปลาเสมอไปแต่ที่ไหนมีปลาที่น่าจะต้องมี นามเสม อ, อความคิดไม่จำเป็น ต, ต้องมีตัณหาเสมอไปแต่ที่ไหนมีตัณหาที่นั่นมีความคิดเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาความอยากออกจากความคิดเราก็ต้องมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาให้ตัวรู้เนี่ยเข้าไปแทนความคิดเมื่อตัวรู้เข้าไปแทนความคิดเมื่อไหร่ตัณหาอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เพราะตัณหามันเป็นไฟ แต่ตัวรู้มันเป็นน้ํามันเข้าไปดักกันแต่ตัวคิดเป็นเพียงเชื้อเท่านั้นเองนะเป็นเพียงเชื้อเนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้คือหลักการที่มันเป็นของจริงเป็นความจริงอยู่เฉพาะหน้ามันไม่ใช่เป็นหลักการที่จะซับซ้อนแต่เราลืมนึกลืมพิพเคาะไปเท่านั้นเองพอเรานึกพิจารณาสิ่งนี้บ่อยๆปั๊บเนี่ยเมื่อมีรูปผากระทบตาปั๊บเนี่ยมันคือการเห็น เห็นล้จะอยากไม่อยากเข้าไปเรื่องของเราแล้วทีนี้แต่ถ้ามีสติปั๊บความอยากไม่เกิดเพราะสติคือตัวรู้ใช่ไหมความอยากก็ไม่เกิดมันดับแต่พอกระทบปั๊บขาดสติปั๊บความคิดก็เริ่มเกิดความอยากก็ตรงมาแต่ความคิดที่เกิดแน่นอนแหละนะพอตัวตัวรู้เข้ามาปั๊บตัวรู้ก็มาเปลี่ยนแปลงตัวคิดเป็นตัวรู้ไปเสียแต่ถ้าขาดตัวรู้ปั๊บตัวคิดก็กลายเป็นตัว อวิชาไปคือตัวไม่รู้ไปอันนั้นคือสมุทัยให้เกิดทุกข์คือตัววิชานะถึงความอยากเอาวิชาก็ให้เกิดตัณหาใช่ไหมตัณหาก็จะมีมาจากอวิชาอีกทีหนึ่งเพราะนั้นอวิชาจึงไม่รู้เราก็จึงมาสร้างตัวรู้ทีนี้พอสร้างมากเข้ามากเข้ามันก็ทำให้ตัวคิดเปลี่ยนเป็นตัวรู้มากเข้ามากเขาต่อไปเราทาอะไรก็ไม่ต้องใช้ตัวตัวคิดใช้ตัวใช้ความรู้ แทนความคิดเรานับถือศาสนาพุทธไม่ได้นับผือศาสนาคิดทุกวันนี้ไม่ได้นับถือศาสนาคิดอะไรก็คิดเอาทั้งนั้นแ่ะแต่เมืนน่อหนับผือศาสนาพุทธศาสนาพุทธบริษัทคือตัวรู้ใช่ไหมใครมานับผือศาสนาพุทธก็เอาตัวรู้เป็นที่พึ่งแต่เอาตัวคิดเป็นที่พึ่งนั้นถือน่าถ่ถายสารคิดอยู่ช่วยไม่ได้จริงๆเนี่ยภาษาไทยเป็นอย่างนี้แหละมันตลกจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรื่องน้าสนุกมากถ้าเราเราเรียนนะแต่อย่าไปเป็นเหตุผลที่ตายตัวเรื่องของการเข้าถึงสภาวะธรรมไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่เป็นเรื่องของนอกเหตุเนผลที่หลวงพ่ออะไรนะคาพูดของพ่ อ, งพออะไรนอกเหตุเนว้อนหลวงพ่อชาใช่ไหม ถ้าเขียนหนังสือว่าเรื่องนอกเห็นเนี่ยผลเนียท่านเอามาเห็นด้วยนะสมองของเรามีสองสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องของเหตุผลใช่ไหมสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์อ่าให้มันสมดุลกันระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ถ้าเอาถ้าอธิบายศาสนาเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลอจริงนี่ก็ไม่ได้มันจะกลายเป็นถูกเป็นผิดเป็นดีเป็นชั่วเป็นอ่านั่นไปแต่ให้มันมี อารมณ์เข้าไปด้วยถ้าเป็นเรื่องแต่เหตุผลเป็นเรื่องแข็งทือเลยใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องอารมณ์อย่างเดียวก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเหลวเละไม่มีหลักนะอาศัยกันอะกันเพราะฉะนั้นเพราะมีทั้งสองสิ่งมีเหตุผลแล้การอารมณ์จึงมีเกิดและมีดับเหตุผลเป็นเรื่องของการเกิดแรือการดับเหตุเหตุผลสิ่งหนึ่ง อารมณ์ซิถ้าสมมุติว่าเหตุผลก็อารมณ์นสองตัวตัวไหนควรสมมุติมันเป็นอันเกิดและดับระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ตัวไหนควรจะเป็นเกิดตัวไหนควรจะเป็นดับอารมณ์เป็นตัวเกิดเหตุผลเป็นตัวดับอารมณ์ก็เหตุผลในใจของเราตัวไหนมาก่อนคนเราส่วนใหญ่อยู่ด้วยเหตุผลหรือด้วยอารมณ์อยู่ด้วยอารมณ์เป็นพื้นฐานแต่คนไหนที่มีเหตุผลขึ้นมาหมายความคนนั้นจะเกิดการสมดุล แต่คนไหนใช้อารมณ์อย่างเดียวคนนั้นก็เสียสมดุลคนไหนใช้เหตุผลอย่างเดียวก็เสียสมดุลเหมือนกันถ้าหากอยู่ระหว่างบางเรื่องคนจะใช้เหตุผลบางเรื่องคนจะใช้อารมณ์ใช่ไหมไปหาเพื่อนผมไม่มีเหตุผลที่จะพูดกับคุณนะ่ะ <c oughs> เป็นเรื่องเลยใช่ไหมผมไม่จําเป็นต้องยิ้มกับคุณไม่ยิ้มแบบไม่มีเหตุผลใช้ได้ไม่เหตุผลใช้ได้ตลอดเวลาไหม ผมจะยิ้มเแต่เมื่อผมมีเหตุผลนั้นจะยิ้มใช่ไหมเ <c oughs> สร็จเลยคุณไปไหนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเรามันก็มีทั้งสองอย่างสมดุลกันมีรู้กับมีหลงพูดเป็นประจําใช่ไหมใช่แต่ให้สมดุลกันรู้หลงรู้รู้แล้วเมื่อใดสมดุลกันแล้วมันก็จะกลายเป็นศูนลบกับบวกใช่ไหมลบกับบวกกลายเป็นศูนย์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะ พราะฉะนั้นรู้บ้างหลงบ้างไม่ผิดแต่รู้อย่างเดียวก็ผิดหลงอย่างเดียวก็ผิดเพระรู้อย่างเดียวก็เป็นเรื่องสุดตรงทางหนึ่งหลงอย่างเดียวก็เป็นเรื่องสุดตรงทางหนึ่งรู้บา้างหลงรังเป็นเรื่องมัชิมาปฏิปทาเมื่อก่อนออกมาไม่เข้าใจมชิมาปฏิปทานันหมายถึงอะไรเดี๋ยวว่าต้องไปส่วนกลางกลางอย่างไรอ่ะเอาอย่างงี้ง่ายเมื่อโยมไปปรุงอาหารเนี่ยมันมีทั้ง ลดเผ็ดลดเค็มรดเปรี้ยวลดจืดลดหวานใช่ไหมถ้าโยมจะปรุงอาหารให้อร่อยต้องรู้สัดส่วนในการปรุงใช่ไหมแต่ถ้าอันไหนมันเกินไปหน่อยอาหารอร่อยไหมไม่อร่อยมันเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเปรี้ยวเกินไปไม่อร่อยแต่ถ้าสมดุลกันแล้วอาหารมันจะอร่อยฉันได้ชีวิตนี้จะมีความสุขและอละไรอร่อยเมื่อชีวิตนี้สมดุลเหตุผลสมดุลกัน อารมณ์นะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชีวิตจริงๆแต่ขอให้เข้าใจถึงต้นตอที่ไปที่มาของมันว่ามันมาจากอะไรแต่การที่เราจะปรุงให้ชีวิตนีมันมีความสุขมีความสงบตลอดไปเราต้องรู้สัด ส, ส่วนของเหตุผลและอารมณ์ว่าจะใส่เข้าไปเท่าไหร่ นะรู้คนใส่เข qu ้าไปเท่าไหร่หลงคนจะใส่เข้าไปเท่าไหร่อารมณ์คนใส่เข้าไปเท่าไหร่เหตุผลคนจะใส่เข้าไปเท่าไหร่ถึงจะพอดีถ้าใส่เหตุผลล้วนๆไปไงโอ้เข็มจัดเลยนะแต่ใส่อารมณ์ล้วนๆไปไงโอ้จืดจัดเลยอแต่ถ้าใส่เหตุผลบ้างอารมณ์บ้างพอดีอารมณกลมกล่อมชีิตเป็นอย่างนั้นดังนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะเป็นเรื่องจริงดังนั้นจึงบอกว่าให้รู้ บ้างลงบ้างในอัตราส่วนเท่าๆกันเอามาจึงเปลียนเสมือนบันไดวันก่อนนะใช่ไหมให้ขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างถ้ามีแต่ขึ้นตลอดไปไงบันไดอย่างเงี้ยชั้นเดียวเงี้ยอันนี้คือเหตุรู้อย่างเดียวนี่นะขึ้นดิ่งแต่ถ้าหากว่าลงบ้างไปไงแล้ขึ้นบ้างแล้วก็ลงบ้างนั่นคือรู้บ้างลงบ้างแล้วขึ้นได้สบาย ที่ชีวิตก็ดำเนินไปอย่างสะดวกสบายดัง น, นั้นเองในการปฏิบัติเราก็เพื่อที่เข้าใจความสมรุปของชีวิตนี้อย่าจริงจังเกินไปและอย่าเล่นเกินไปบางเล่นบ้างจริงบ้างสมมติไทยเราอนะอะไรหลายอย่างนะประเภทอย่างเงี้ยสมมติไทยคนเราเนะีมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเองเรื่องการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่ต้องรู้จักเล่นและรู้จักจริง แล้วชีวิตก็จะสมบูรณ์พอดีเลยเล่นเกินไปก็ไม่ดีจริงเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมให้รู้จักเกิดและรู้จักดับดับเกิดดับเกิดดั บ, ดบเอามากล่าวบ่อยๆว่าแสงนดอยมเนี่ยภาวะที่เป็นนิเกติฟ์โพซิทีฟเกิดดับเท่ากันมันถือเป็นแสงสว่างแต่ถ้าภาว่าเกิดมากกว่าดับหรือดับมากกว่าเกิดมันจะกระพริบผิดจังหวะทันทีเลยไฟจะไม่ติดใช่ไหมบางครั้งที่เราเปิดใหม่ๆ รอบมันไม่พอเยอะก็พี่พิบเนี่ยแต่เรามันจัดพอดีปั๊บเมือนสว่างเลยมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แต่เนื่องจากอันนี้มันเป็นสภาวะธรรมมันเป็นนามธรรมเราจึงออกมาชี้เป็นตัวเป็นตนตให้ชัดเจนไม่ได้แต่ต้องไปสัมผัสต้องไปวิสูดเอานะดังนั้นในคืนวันนี้เอาเรื่องเหล่านี้มาพูดกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจเท่านั้นเองว่ามันเป็นไปได้แล้วมันมีอยู่แล้วในตัวเรา แล้วเราเวลาไปทําเราไม่ต้องสงสัยแต่ทำยังไงให้มันถูกทําให้ถูกคือหมายถึงทําให้มันพอดีอย่าให้มันหนักเกินไปและอย่าให้มันเบาเกินไปอย่าให้หย่อนอย่าให้หย่อนจนยานและจะให้ตึงจนเครียดจะให้ตึงบ้างหย่อนบ้างมันจะสมดุลใช่ไหมใช่หลักการนั้นนี่เลยนะมันทําท่าตึงแล้วก็หย่อนเข้ามาหน่อยแต่ใ้อย่าให้หย่อนเกินไปทําให้มันตึงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งถ้าตึงขึ้นไปก็ทาให้มันหย่อนมาหน่อยหนึ่ง แล้วสบายปฏิบัติธรรมลักษณะนี้นะฉังนั้นก็ขอให้เราได้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีนะเอามีอะไรถามไหมก่อนจะจบขอเชิญ <c oughs> ขอชุดเดาอาจรู้เปล่าอยู่คง <c oughs> จะอาจเดืถามพระเด <c oughs> วไปจับถูกจับผิดตมาไม่ได้เรื่องนี้นะพูดกันเล่นเลย แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะพูดกันเล่นๆเป็นเรื่องจริงนะมาว่านะเอามาจะจะศึกษาในมิตินี้รู้สึกมันอยากจะชวนเขาที่ศึกษากันมันไม่ยากนะแต่ที่เขาศึกษามันยากๆเขาหูต้องจาต้องเรียนเปนเยอะแยะเลยมาเาไปเรียนแปประโยชน์กับประโยคเนี่ยเสียดายในประเทศไทยของเรามีนักเรียนนักรู้ภาษาบาลีเยอะแยะแต่ถ้าเขามาปฏิบัติอย่างนี้ก่อนนะเขาไม่ต้องเสียเวลาจําขนาดนั้นหรอก เราเราก็จะสบายนะตุลงถ้าดื่นมีอะไรถามไหมอ๋อการที่จิตของเรารับรู้ที่อย่างนั้นหมายถึงว่าในขณะปัจจุบันทีและขณะนะแต่จิตของเรามีความสามารถในการรับรู้ทีเดียว หกอย่างหกทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจในขณะโยมเคยเห็นไหมคนนั่งเขียนหนังสือเนี่ฟังเพลงไปด้วยกระดิกเท้าไปด้วยเขี่ยวขนมไปด้วยแดีวมาครั้งนะอาลูกอมไปด้วยใช่ไหมรู้เรื่องหมดเลยนะฟังเพลงก็รู้เรื่องเขียนหนังสือก็รู้เรื่องประทานอาหารมาด้วยอมลูกอมไปด้วยก็รู้เรื่องบางทมกระดิกเท้าด้วยบางทีคุยโทรศัพท์ด้วยคุยกับเพื่อนด้วยนะหลายๆทาง จิตของเรามันไวมากเรื่องความถี่มันสูงมันไปทีละขนาดแต่ว่าขนาดน้ำความถี่มันสูงมากอย่างสมมุติว่าเอามาหยุดในเหลือนิ้วเดียวใช่ไหมแต่พ่อมาหมุนเนี่ยสมัยก่อนสมัยมาเป็นเด็กเนี่ยเวลาไปไปที่ไหนมืดๆกลัวผีเอาทู่ไปก้านหนึ่งแล้วก็จุดจุดแล้วก็วิ่งแล้วก็หมุนหมุนมนี่เป็นวงกลมเลยนะพ่อโ บ, บราณเขาบอกว่าถ้าผีมันเห็นทู่มันกลัวว่างั้นถ้าต้องหมุนน้าหน้าห <c oughs> มุนไว้ๆมันกลายจุดเดียวเลย ทูบดอกเดียวพอหมุนไปเป็นวงกลมเลยใช่ไหมพอหยุดมันมีจุดเดียวแต่พอหมุนมันมีเป็นร้อยจุดพันจุดจิตของเราก็เหมือนอย่างนั้นมีความถี่สูงสามารถหมุนไปเดียวผ่านทั้งหกอวัยตนะเลยแต่ผา่านออกมาตั้นรู้เรื่องหมดจิตของเรามีความถี่สุงแต่มันไปทีและขณะหยุดแล้วไปทีขณะหยุดแล้วมีหนึ่งแต่พอมันถูกการโดยโดยกลไกทางทางหน้ามาทำอะเรารู้ได้ไม่หมดนะ แต่มันมีการเรียกว่าการเกิดดับมันสูงเราใช้ว่าการเกิดดับแต่ว่าปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เขาไม่ใช่ว่า f r e q u e n c y คือความถี่ใช่แต่คือความเกิดดับนั่นเองดังนั้นถามว่าเวลาสร้างจังหวะไปฟังไปด้วยเนี่ยได้ไหมความถี่มันสามารถรับได้ถึง6ขณะในเวลาเดียวกันแต่โยามาทาแค่2ขณะก็ยิ่งชัดเลยคือฟังกับยกมือ ได้มันมีศักยภาพถึงหกรับได้หกแต่ยยมใช้แค่สองสมรุนะฟังบ้า ง, างรู้บ้างหลงบ้างก็ได้เป็นไรนะบัางบ้างไม่ไม่เครียดตกลงเข้าใจนะละโมทนาสาธุกความตั้งใจในวันนี้นะขอให้เราได้นำไปพิจารณาศึกษา เพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้องและความถูกต้องที่เราเข้าใจนี้คือสามารถที่จะนำไปค้นคว้าหาความจริงที่เกิดขึ้นในใจิตในใจของเราได้เห็นความจริงอย่างแจ่มแจง้งด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ